อนาปฏิวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัดคือ283 1้ิกษานูตนั่งในเรือนใหญ่ห่างจากบานประตูไม่เกินหัถบัดสอพิกูตนั่งในเรือนเล็กไม่ล้ําตรงกลางห้องนอน3าพิสูตมีเพื่อนอยู่ด้วย4ีพิสูตนั่งในเรือนที่คนทั้งสองออกไปแล้ว5้พิสูุนั่งในเรือนที่คนทั้งสองสั่งจากราคะ6กพิกูตนั่งในที่ไม่ใช่ห้องนอน7จพิกษุวิกลจริต ที่ิสุดต้นบัญญัติสับโพชนะิีขาบทที่3จบ